เอาตอนนี้ไปตั้งใจฟังหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนิยกถาประจำวันพระวันนี้เป็นวันแรมสิบห้าค่ำเดือนแปดตรงกับวันที่ 10, สิบสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้า้อยห้าสิบสามเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเรา ก่อนอื่นหลวงพ่อขอประกาศให้คณะทาธาญ า, า จ, จมทุกทุกท่านที่มานั่งอยู่ที่นี่วันที่ส2สองสิงหาเวลาตอนเช้ า, าทาบุญวันเกิดขององค์หลวงตามหาบวัวเพราะนั้นคณะทศธ า, าญาจยมที่รักเคารพนับถือในองค์หลวงตาข็ขอไปร่วมงานตอนเช้าแต่ตอนบ่าย มงคณะสงฆ์คณจิกญานุสิทธิ์ช่้งหลายจากจาตุรธิษ์จากทั่วประเทศจะได้รวมกันเข้าไปการาบคารวะหรือ ว, ว่าเป็นการมุดน้ำดาหัวหรือ ว, ว่ากราบทำวัดขององค์หลวงตาพร้อมกันจากนั้นก็จะได้รับโอวาทจากองค์หลวงตาท่านจะให้โอวาทอย่างไงตามบัทยาสัยของท่านบ่ายโมงของวันที่สบสอง สิงหาห้าสามคณะก็คงแยกแยก้ายกันกลับนคณะขอประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงกันนะคณะศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็ได้มาร่วมกันรักษาโวสถดก่อนหน้านี้ก็พวกเราได้ไหว้พระสวดมนต์เป็นที่รียบร้อยแล้วแต่วันนี้ก็ทั้งวันเพราะว่าเป็นวันโบสถของพระ พระสงฆ์อำเภอนามโสมนําโดยท่านพระครูพิสารปัญญาคุณเจ้าคณะอำเภอนามโสมวัดภูนาหลาวแล้วก็ได้ทางฝ่ายอำเภอนายูงกับท่านพระอาจารย์จดอภูโนวัดป่าบ้านเพิ่มในคณะสงฆ์ทั้งสองอำเภอพ ร, ร้อมกับคณะสัตยาญาติโยมไปกราบพลวัคคูบายอาจารย์หลายวัดวันนี้และก็วัดหนึ่งก็คือวัด ป่านาคำน้อยของเราก็เห็นกษัาาตริยายาโยมพระสงฆ์นั่งบนฉลอรเต็มไปหมดแล้วก็กษัตริยายาโสมก็นั่งเต็มไปหมดอีกเหมือนกันอยู่อีกฝ่ายเสี้ยงหนึ่งเอ็นารถศาลาละวันเนี้ฟลองฟังดูแล้วพระสงฆ์ที่จำพรรษาอําเภอนายูงเนี่ย130 130ร้อยสามสิบร้อยสามสิบรูปแต่อําเภอน้ำโสมอําเภอน้ำโสมเนี่ย ประมาณร้อสามรูปจะไม่ชัดเจนเพราะท่านผู้รวบรวมรายชื่อของพระไม่ได้มาวันนี้แต่มาแต่แต่ท่านก็แจ้งข่าวกันเท่านั้นเององค์ที่แจ้งข่าวมาก็ยังไม่มั่นใจว่าแต่นเนี่ยประมาณนี้แหละสรุปแล้วก็คือพระสองอำเภอเนี่ยทั้งรวมทั้งสมณเอกด้วยกประมาณสองเจ็สบเพราะนายวงร้อยสามสิบ น้ำสมร้อยสามสิบเจ็ดตนดกัสามเณรด้วยก็รู้สึกว่าพระมากพอองควรในในสองอำเภอที่มาคราวะหลวงพ่อในวันนี้หลวงพ่อก็ให้ได้ได้ให้โอวาดการแนะนำสั่งสอนให้โอวาดเป็นแนวความคิดสำหรับพระและก็สำหรับคราวาดญาติโยมพระควรทำตนอย่างไร ครวาดญาตโยมควรทำตนอย่างไรตรงพ่อก็นแนะนำว่าฝ่ายพระสงฆ์เนี่ยงพ่อมีสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนร้7 2 5เมกะเฮิรต์กระจายเสียงทั้งคืนในกลางคืนก็จะมีการฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปกระจนถึงตีหขอให้พวกพระลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายฟังธรรมเทศนาของหลวงตานะ เพราะธรรมเทศนาของลุงตาลเป็นธรรมเทศนาที่เป็นหลักวิชาการเพราะท่านได้เรียนทั้งเป็นมหาด้วยทั้งท่านได้ปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สองสายหลวงปู่มั่นด้วยเพราะนั้นก่อนที่พวกเราจะนั่งสมาธิทุกคืนน่าจะฟังเทศจักกันหนึ่งก่อนจากนั้นค่อยนั่งภาวนาต่อไปถ้าพวกเราฟังทุกคืนทุกคืน สิ่งที่พวกเราไม่รู้พวกเราจะได้รู้ในการฝึกปฏิบัติเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราจะสยามภูรู้ได้ด้วยตนเองไม่ใช่เราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากเทปจากหนังสือจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนพวกเราต้องใยกับพ่อก่อกับครูไม่ใช่ว่าใจโพโลพลาขึ้นมาเป็นสยามภู บางทีใหญ่ขึ้นมาอย่างนั้นบางทีหนักก็หนักเกินไปเบาก็เบาเกินไปสิ่งนีนไม่น่าจะทำก็ทำเพราะาใหญ่ขันไม่รู้จักเวล่าเวลาเหมือนกับไก่ป่าอย่างนั้นอ่ะเพราะไก่ป่ามันไม่ได้ใหญ่กับพ่อกอกับครูเพราะนั้นพวกเราให้ใหญ่กับพ่อใหญ่กับพ่อกอกับครูครูบายการเคยแนะนำมาอย่างไรในกิจจะวัดคอวัดจากนั้นก็ทันให้เดินสมาธิยังไง แล้วก็ให้เดินปัญญาอย่างไรถ้าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วจะพอพอจะเข้าใจแต่อันดับแรกแรกเราฟังธรรมเทศนาอาจจะไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยชินต่อภาษาบ้างต่อธรรมเทศนาด้วยเพราะเราก็ไม่ได้ศึกษาในในธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแต่ต้นแต่ต่อบางทีเราเพิ่งมาได้สัมผัส เราจะฟังออกทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องฟังต่อหลายครั้งหลายหนเมื่อฟังแล้วเราจะซึ้งในธทำคําสอนของครูบาอาจารย์ถ้าเราอยากจะฟังธรรมะมากมายหลายองค์ตอนกลางวันบางทีองค์นั้นเทศบางีองค์นี้เทศมีหลวงปูล่ลาหลวงปู่สิงทองอหลวงปู่ชาหลวงปู่สิมหลวงปู่ต่างๆมีมากมาย แต่ถึงยังไงก็มีหลวงตาเป็นหลักในเกิดการเปิดธรรมเทศนากลางวันก็มีเสียงอะไรรบกวนอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรเราต้องการฟังองค์ไหนองค์ไหนเทศเราก็ฟังองค์นั้นถ้าไม่ต้องการฟังเราก็ปิดไว้ก่อนเดินเราจะฟังไปเรื่อยๆก็ได้โดยมากจะเป็นเสียงอัดเสียงทำทั้งนั้นแหละปะถานีวิทยุเสียงทำเพื่อประชาชนอันนี้กืหลวงพ่อได้แนะนําและพร้อมกันหลวงพ่อแนะนํา แต่การเป็นอยู่ของคณนศรัทธาญาติโยมชีวิตประจําวันคนทําตนอย่างไรเมื่อเราเป็นพระว่าตญาติโยมเรามีแต่สอบแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวแต่ละวีแต่ละวันก้มหน้าก้มตามีแต่หาเงินหาทองมีแต่หาพิชชาอาชีพเพื่อเลี้ยงชีวิตอย่างเดียวทําไร่ทํานาทํารัว้วทําสวนทํามาค้าขายอย่างเดียวก็ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะว่าการทามาค้าขายการทำอย่างนั้นเป็นการเลี้ยงชีวิตเพื่อหาปัจจัยเพื่อหาเงินทองเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีวิตร่างกายของเราเท่านั้นแต่ถ้าว่าเราสนใจแต่การหาเลี้ยงชีวิตของเราเมื่อเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะนะธรรมะคือทางด้านจิตใจอาหารใจอาหารกายอาหารกายก็คือขนะ่ข้าวน้าโภชนาอาหารคือปัจจัย4ีนี่แหละ คือเงิ น, นซื้ออาหารมาเลี้ยงร่างกายซื้อผ้านุ่งห่มมาให้ร่างกายซื้อยุกยามาเพื่อรักษาร่างกายเมื่อเจ็บไขไ้ปดรวยแล้วก็สร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ร่างกายเงิเนคาทรัพย์สมบั ต, ติไทยทำอย่างนั้นแต่อาหารใจนี่อีกต่างหากนะ้าพวกเราไม่ได้ศึกษาเราเจะให้อาหารกายให้ไหม่ อาหารใจเนี่ยไม่รู้จะให้อย่างไรเพราะนั้นเราต้องศึกษาในทมคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องฟังคำคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดันั้นเราจะรู้ได้ว่าอาหารของใจนั่นคืออะไรอาหารกายอาหารใจอาหารกายก็คืออย่างที่ว่าน่ะปัจจัยสี่อาหารใจคือธรรมะเราจะปฏิบัติอย่างไรติดใจของเราทาใจอย่างไรปล่อยวางอย่างไร ให้มันยึดมั่นถือมันอย่างไรที่จะราณนาดใจตรองด้วยเหตุและผลเรื่องอะไรสิ่งเหล่จะต้องได้ศึกษาอถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราจะเอาอาหารเข้าใจไม่ถูก เ, เหมือนกับเราเลี้ยงเด็กอย่างนั้นะถ้าเราไม่ได้ศึกษ า, าเราก็ไม่รู้จากวิธีการเลี้ยงเด็กเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันวิธีเราจะเอาอาหารเข้าสู่จิตใจเราจะเอาให้อย่างไรมันจึงจะถูกต้องอันนี้ก็ต้องศึกษา ตามแนวแถวที่พ่ะพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเด่นแนะนำสั่งสอนเพราะนั้นขอให้คณะสัตย า, าตจมทุกทุกท่านอย่าไปให้แต่อาหารของร่างกายอย่างเดียวร่างกายเนี่ยถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนไม่มีวันจะเท่าไม่มีวันจะน้อยหนุ่มไปเรนะื่อยไม่มีวันจดนะดีมีแต่เข้าแก่ชราอายุมากเท่าไหร่กอยิ่งแก่ไปเรื่อยอผลที่สุดเกิด ตาหูจมูกกายกลิ่นกายหนังมันจะไปของมันตามสภาพผลที่สุดก็หมดสภาพเหมือนกับเราใช้รถนะใช้ไปใช้ไปออกมาใหม่ๆมันก็ดีวิ่งเิวเลยพอใช้ไปใช้ไปนะครับโอเขคโกเขคดังทุนนั้นดังทุนนี้เหมือนกับเกวียนท่านเปียบเหมือนร่างกายเหมือนกับเกวียนออกมาใหม่ๆมันก็ดีตบบรรทุกไปนานๆาใช้ไปนานๆผลที่สุดก็ต้อง เวียนแก่ก็ต้องใช้ไม้ไผ่กระหนาบผูกกระหนาบคาบค้ำไปแค่เอาขันสนอเอาไว้เพื่อไม่ให้ล้อมันหลุดออกไปนี่แหละหประทงังประทังไปผลที่สูกก็รักษาไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็พังร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันอันดับใหม่ๆก็เป็นหนุ่มเป็นสาวคนรู้สึกหวาดแข็งแรงไปที่ไหนได้คล่องแคล่วต่อไป เมื่อเท่าแกชลาลงทีนี้ก็นั่นแหะเดินไปที่ไห น, นก็ย่องย่องเดินไปพวแต่ตีนต่อตีนไปเลแหมผลที่สุดได้หามถึงฮเป็นอย่างนั้นะร่างกายของเรามันจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะเศรษฐีมหาเศรษฐีจะดูแลสุขภาพดีขนาดไหนก็เถอะทุกคนก็มีจุดจบของชีวิตคือความตายนี่แหละนี่แหล ะ, ละร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดนั้นถ้าเลี้ยง จ, จิตใจถึงทางเลี้ยง จ, จิตใจเป็นยังไง ถ้าเลี้ยงจิตใจเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจจิตใจของเรามีศีลมีธรรมมีความอบอุ่นมีความเยือกเย็นจิตใจได้รับความสงบจากนั้นก็พิจารณาไตรตรองเหตุและผลจากนั้นก็ปล่อยวางพ อ, อปล่อยวางกับจิตใจก็จะหลุดพ้นเป็นระยะระยะคือเป็นพระโสดาพระจักราก า, าพระอนาคาพภารหันถ้าถึงพระรหรันไปว่าจบประทศนีเป็นพระอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้ว บริบูรณ์แลลวถ้าเป็นถ้าเราจบดร็อกเตอร์นี่ยังไม่จบนะดร็อกเตอร์แขนงนี้ยังแขนงอื่นอีกแต่มันหลายสิบหลายร้อยแขนงดร็อกเตอร์แต่เป็นพระหานแล้วจบแต่ก็มีบบพระหานชุก ข, ขามวิปจโกเตวิชโชสละปิญโยปฏิสมัม พ, พิทัพปะโตพระหานมีสี่จำพวกแต่ถึงจะเป็นสี่จำพวกก็เถอะ ในความบริสุทธินั้นเสมอกันเพียงแต่ว่าจำนวนที่สามจำพวกนั้นท่านมีเครื่องเล่นเยอะเหมือนกันเหมือนกับคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์ของเราเนี่แหละถ้าว่าสำเร็จประโยชน์ใช้ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าในโทรศัพท์บางเครื่องมีเครื่องเล่นเยอะอยู่ในนั้นนี้ก็เหมือนกันพระหรหัน์ท่านเป็นพระหรหันธ์เหมือนกัน แต่ว่าองค์ที่เตวิโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัปโตนั้นท่านมีวิชาดับใจทายใจเหอะเหินเดินฟ้าแสดงตนแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ฉะนั้นก็คือพระหัน์เตวิโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัปโตแต่พระหัน์สุขวิปัสโกเนี่ยเพียงแต่บำเพ็ญภาวนาทําจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิด อันนี้คือเสมอกันทั้งหมดทั้ง4ี่ทั้ง4ี่องค์พระหันแต่ว่าเครื่องเล่นเครื่องอิอทธิฤทธิ์ของพระองค์เหล่านั้นอันนั้นแตกต่างกันอันนี้ก็คือความสําเร็จเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะสําเร็จได้อย่างนั้นนี่แหละท่านก็ศึกษาเรื่องอาหารเข้าสู่จิตใจเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารเข้าสู่จิตใจเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาเนี่ยเป็นนะท่านเอาอาหารเข้าสู่จิตใจจากนั้นพระ อ, องค์ได้รู้แล้วก็เบื่อหน่ายทายหลุดพ้นจากอาสวะที่เลส น, นี่นี่แหละขอให้พวกเราคณะสัาว์ ญ, ญาติโยมทุกๆท่านนะศึกษาธรรมะปฏิบัติแต่วันนี้หลวงพ่อจะอธิบายเรื่องทุกนะแต่ทำไมเราจึงพูดถึงเครื่องของทุกเราต้องการทุกจะไหมไม่ใช่ ทุกเนี่ยเป็นเครื่องบรบกวนทําให้โลกทั้งโลกอยู่ไม่ผาสุกอันนี้จังของไม่เที่ยงหลวงพ่อเคยพูดอันนี้จังคือของไม่เที่ยงอสุภะปฏิคูลทั้งหลายทั้งปวงไปของไม่มั่นคงถาวออันนี้เนี่คืออันนี้จังทุกขังเนี่ยทุกขังนี่คืออะไรทุกขังมีทุกมีอยู่สองอย่างทุกกายทุกใจแต่ตามที่จริงทุกกายเป็นทุกร่างกาย แต่ทุกใจแต่ถ้าไม่มีใจใจออกจากร่างซะร่างกายนั้นก็ไม่รู้จักทุกเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะใจไม่รับรู้สรุปแล้วคือส่วนลึกๆแล้วก็ ค, คือทุกของใจใจมารับรู้เรื่องของร่างกายมันก็เลยเป็นทุกอย่างร่างกายเป็นคืออะไรหิวเขเป็นทุกหิวข้าวเป็นทุกกระหายคือหิวน้ำเขาเป็นทุก แดดถูกเผาร่างกายก็เป็นทุกข์หนาวเกินไปก็เป็นทุกข์ล้วเวทนานั่งนานๆก็เป็นทุกข์ทุกปีมีมากของร่างกายแปลว่าในร่างกายทุกส่วนนี่มีทุกข์เต็มไปหมด เ, เพื่อได้เพออะไรจงว่ามีทุกข์เต็มไปหมดเราเอาเข็มจิ้มเขาตรงไหนซิจิ้มชกกตรงไหนร่างกาย ปวดขึ้นมา ท, าทันทีเป็นทุกทันทีในจุดนั้นเนี่ยนันว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์ทุกส่วนของร่างกายมันเจ็บปวดขึ้นมาเวทนาเกิดขึ้นทันทีแหละถ้าเราเอาเข็มจิ้มเข้าไปแล้วอันนี้คือทุกข์กายส่วนทุกข์ใจที่นี่นทุกข์ใจคือสิ่งที่เราต้องการแต่ไม่ได้สมความมุ่งมา่นปรารถนาอันนั่นก็เป็นทุกข์เขาดุดาว่ากาวเราก็เป็นทุกข์ เขาติดชิ้นนินทาเราก็เป็นทุกข์ความทุกข์ของใจบรรยายไม่จบไม่สิ้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นอันนี้คือความทุกข์ของใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้ดูมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวใช่ไหมกายบางทีเราเกินอาหารอร่อยแล้วก็นอนหลับแล้วก็ดูสบายไม่เจ็บไม่ปวดไม่เป็นไข้ อันนั้นเราก็ถือว่าเป็นสุขนะมีคนยกย่องนับถือมีเงินคำทรัพย์สมบัติพิยศถาบรรดาศักย์ใจของเราก็มีความสุขอันนี้นว่าสุขเขเวทนาทุกขเวทนาแต่ทุกกับสุขนั้นอันไหนมากกว่ากันถ้าเปรียบเทียบแล้วทุกมากกว่าแต่ถึงยังไงเราจะมีสุขขนาดไหนก็เถิดวันปลายของชีวิตเนี่ยถึงจุดกับวันนั้นล่ะช่วงนั้นล่ะคราวนั้นล่ะ แต่ทุกที่สุดจากนั้นก็ทุกแล้วก็ผ่านไปอผ่านไปข้ามมาบอกไม่ได้อีกอะโอ้ยก่อนที่จะใจจะขาดแต่ทุกจริงๆนะท่านทั้งหลายอแ่อย่างนี้ไม่มีใครกลับมาบอกอีกผ่านไปแล้วอแต่ว่าก่อนบางคนก็พอป่วยหนักๆเข้ามาเวทนากล้าเข้ามาจะกลับมาบอกเลยโอ้โหในช่วงนั้นมันทุกจริงๆนะอะเวทนามันบีบพันร่างกายจริงๆทุกจริงๆนะ กระพอมาบอกกล่าวได้แต่บางคนโดยมากมันทุก อ, อัน น, นั้นทุกมหาน์จริงๆเนี่ยไม่มีใครมากับกลับมาบอกพวกเราได้อัอนนี้แหละความทุกข์ของร่างกายเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าเกิดมาพบนี้ชาตินี้มาถึงขนาดนี้เราก็พอจะเห็นได้ที่มันทุกขเวทนาแต่ทุกขเวทนาคนํานี้บางคนก็เจอมาหลายครั้งต่อหลายหนมาถึงจุดนี้ บางทีก็นนั่นไม้เสียบไม้แทงบ้างถูกแทงอ่ด้วยน้ำด้วยอะไร บ, าบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเข้านอนโรงพย า, า, พพ า, าบาลถูกผาตัดบ้างร่างกายทุกพลภาพมากมายหลายอย่างอันนี้พอพวกเราคงจะรู้บางคนแต่บางคนก็ยังไม่เคยไม่ถึงไม่เคยถึงขนาดนั้นแต่ก็มีแต่เอ่อเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเป็นไข้บ้าง อแล้วก็ทานอาหารเอการขับถ่ายไม่ถูกต้องมันไม่สมบูรณ์บ้างอันนี้มีความทุกข์อันนี้คือทุกข์ของร่างกายเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้ว่าถึงเราจะเกิดพพหน้าชาตินาถึงจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีสีสุขขนาดไหนร่างกายพวกเราเกษตรต้องได้เลี้ยงธนุธนุถนอมอย่างนี้แหลนะอย่างชาตินี้แหลอะอไม่ใช่ว่าเกิดชาติ ที่ร่ำรวยขึ้นมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่างกายของเราจะเป็นทองคอําเอไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาใหม่ชายเป็นธาตุสีดินน้ําลมไฟเหมือนกันมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นแกายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเกิดพบหน้าชาติากับเป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่นเพียงแต่ว่าทุกมากทุกน้อยแต่บางคนเท่นั้นเองแต่บางคนก็ทุกมากบางคนก็ทุกน้อย อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่บางคนก็เกิดมาแล้วก็ทุกตลอดตั้งแต่วันเกิดแล้วไข้แพ้วโรคภัยไข้เจ็บพลังแก่เบียดเบียนตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายอันนั้นก็มีเ น, นี่ยร่างกายของเราทุกๆท่านมีความทุกข์อย่างนี้เพราะนั้น พ, พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูอาจารย์พ่อแม่ครูบายอาจารย์ท่านยังให้พิจารณาทุกนะทุกขังอริยสัจจงทุกเป็นของจริงของร่างกาย เพราะนั้นเราอย่าชราใจอย่าหลงอย่าลืมอย่าให้ความสำคัญของร่างกายจนเกินไปนะให้พิจารณานะในภาวนาดูนะในทําจิตให้สงบแล้วให้กาหนดดูนะดูร่างกายนะร่างกายไม่เป็นอย่างอื่นนะผลที่สุดก็ถึงจุดจบของชีวิตนี่แหละอันนี้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนพิมพเมื่อพิจารณาร่างกายเป็นอันจังของไม่เที่ยงแล้ว ให้ดูความทุกข์ของร่างกายนั่งเนะเดี๋ยวนี้พวกเรานั่งปวดนะ่ะปวดเน็บปวดขาไปอีกข้างหนึ่งละเฮ้ยละเพราะว่าทุกขเวทนามันเกิดที่ร่างกายใจของเราไปรับรู้นะแต่เราจะทํำยังไงจะเอาชนะเวทนาในกายของเราได้มันเอาชนะไม่ได้หรอกเนะพียงแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้เวทนาสักตว์ว่าเวทนาเท่านั้นเองการเราจะเอาชนะมันได้ยังไงเพราะร่างกายมันมีอยู่ ตัวเวทนามันเกิดอยู่ในกับร่างกายใจของเราก็รู้แต่ศักตัวเวทนาเวทนาไม่ใช so ่เราเราไม่ใช่เวทนาร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ใช่ร่างกายเพียงแต่รู้เท่านั้นเองเวทนาศักว่าเวทนาเราไม่แบกเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพียงแต่ว่ารู้ว่าเวทนาเหมือนกับเรายืนออกมายืนข้างนอกอบ้านอย่างนั้นเราออกมายืนรถอย่างนั้น่ะถึงรถจะไฟไหม้ยังไง ถึงรถมันจะมีปัญหายัางไงคนขับรถก็ออกมายืนอยู่ข้างนอกนะอน่ถ้าเรารู้จักยืนออกมาข้างนอกมันก็ไม่ร้อนมันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าว่าเราเขาไปอยู่ในตัวรถนะอรถก็เผาอยู่นะเราก็ไปทุกข์ที่ น, นี่นอยากจะให้มันไฟดับอยากจะให้มันหยุดอยากจะให้มันวิ่งได้เหมือนตะกอดเนะ่ะเราเคือเป็นทุกข์กับมันเลยแน่น่ะพระพุทธเจ้าเรียว่าให้แยกกายออกจากจิตให้แยกจิตออกจากกาย อกายก็คือกายจิตก็คือจิตมันไม่ใช่ของเรามันจะต้องไปสู่สภาพของมันเพราะฉะนั้นเราจะเอาชนะว่าเราจะไม่ให้ไฟมันไหม้รถเอ อ, เ อ, อจะได้ไหมในเมื่อไฟไหม้รถเราจะทํำยังไงมันก็ไหมมันก็ไหมของมันแต่ใจของเราอย่าไปทบ ก, กับมัน อ, อถ้ามันหมดสภาพจริงๆเราก็ต้องหนีออกจากรถคันนั้นแหละไปหาคันอื่นต่อไป อันนี้ก็คือเราเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเราออกจากร่างนี้ไปเกิดไปปฏิสนธิร่างอื่นอีกต่อไปอจากนั่นก็บกวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนะว่าเราเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสงสารวัฏคือวัฏวนุนเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายอีกแล้วก็เกิดอีกอแต่เราก็คิดว่ามันเป็นเกิดใหม่แต่ตามไม่จริงมัน หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายของเราเหมือนกับเข้าอยู่ในขอบกระรองอย่างนั้นน่ะเรียกว่าขอบกระมังเหมือนกระมกไตขอบกละมังอย่างนั้น่แต่ตามไม่จริงอมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่เราก็เหมือนกับเราไปใหม่ไปเรื่อยแต่ตามไม่จริงมันมันวนมันวนเวียนอย่างนั้น่ะแต่ถ้าว่าเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่น ในร่างกายไม่ยึดมั่นถือมั่นในใจิตใจเหมือนกับเราออกนอกวงจรออกไปขอบออกจากขอบกระมังออกไปออออกไปในมิติหนึ่งแท่โลกทั้งโลกไม่สามารถที่จะดึงดูดเราได้กิเลตราคะโพสะโมหะแต่ไม่สามารถที่จะดึงดูดจิตใจของเราได้เราออกไปสู่ความบริสุทธ หลุดพน้นจากกิเลสราคะโทภามวาถท่านจะว่าดับก็ใช่ดับกิเลสสิ่งที่จะพาให้เวียนว่ายตายเกิดโลภโกรธโงงทั้งหลายดับหมดไม่มีไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ดวงวิญญาณใะใจดวงนั้นได้แต่าว่าใจดวงนั้น ม, ม, มีแต่ความบริสุทธิ์ไม่มีความทุกข์เข้าไปเจือปนท่านยังว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานังปรมาศูญนิพพานศูน ย, นนนย์มีสองคำนะศูนย์กับสุขพวกเราก็เลยมาถกเถียงกันไงทำไมสุขแล้วจะไม่ศูนย์ศูนย์แล้วทาไมสุขศูนย์เชื้อคือไม่ให้มาเวียนว่ายตายเกิดดับไปแล้วเชื้อของมันที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดมีแต่ความบริสุทธิ์มีความสุขเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่มาปฏิบัติธรรมเพื่อ ให้หนีจากความทุกข์พิจารณาความทุกข์เพื่อให้เบื่อหน่ายทุกข์เดี๋ยวนี้พวกเราเนี่ยพอหนีออกมาแล้วก็มันไม่เห็นชัดเจนพอเห็นออกออกมาแล้วกับมันเบื่ออยู่มันเบือออเบ่อไม่เบื่อจริงมันเบื่อเบื่ออยากอยากอยากอยากเบื่อเบื่อเบือเบื่ออยากอยา ก, ยากมันก็เลยทําให้ตัวเองทุกแล้วทุกและทุกเราช้าแล้ ว, ลวช้าอีกช้าเล็บซบิกซ้ําเล่าอยู่นั่นเพราะมันไม่หนีจาก ทักตะสงสารเหมือนกับเด็กเราไปยืนอยู่ ใ, ใกล้ข่อยมดแดงอย่างนั้นอ่ะที่รังมดแดงฮ ะ, ะอยมดแดงที่มันมดแดงไฟใต้ดิน่ะไปยืนอยูน่นะเอาตีนขยำขยำแล้ว ก, ก, ก, ก็ไล่ออกไล่อร์มือกกัดนี่เพราะเหตุไรเพราะมันไม่หนีไม่หนีออกไปจากอยากจริงจังถ้าเราหนีออกึงอย่างไล่ออกไปแล้วเราไปหนีห่างข่านไปเลยนะนี่แหละคือเกิดความเบื่อหน่ายคลายแต่พวกนี้พวกเราไม่ใช่อย่างนั้นน่ะ หนีไปใกล้ๆในหะ้กรพอให้หมดแดงไฟมันกัดอยู่อย่างนั้นอ่าไอ้ไฟกัดใกล้แล้ออกก็กัดยู่งั้นนี่แหละเพราะพระไตรจาทําให้เห็นโทษในการเกิดอแก่เจ็บตายอนะจากนั้นใจของเราก็ใจจกรนะดับหนีเบื่อหน่ายคลายจิตใจพ่อหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอาณาจารย์ญาติโยม ให้มาในมาประพฤติปฏิบัติอันดับแรกก็อย่างนี้ก่อนที่จะเห็นจุดนั้นได้เป็นอย่างนั้นได้ก่อนนั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งแต่เมื่อจิตใจสงบแล้วเราจะมองเห็นได้ถ้าจิตใจของเราปรุงฟุ้งซ่านอยู่เราจะมองเห็นอะไรไม่ชัดเจนทั้งนั้นแหละเหมือนกับคนที่เป็นบ้าเลยมีสมาธิดีแล้วนะเราพิจารณามองเห็นอะไรก็เห็นได้ชัดเจน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 ตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะพอได้เวลาแนละ้วหลวงพ่อจะค่อยบอกเลิกลากันตอนนี้ไปนั่งสมาธิที่นี่